พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาพราะองค์เดียวเท่านั้นเองประกาศศาสนาลั่นโลกธาตุเต้นขึ้นแต่ธรรมจักรกับพระอนสุตนี่สัตว์มนงสวิรสัตมังซ่าเบสุ่มมังซาเบสุ่เื่อยลงไปองค์นี้รู้แล้วก็ะซง ข่าบอกพรงนั้นบอกตรงนั้นบอกนั้ น, น, นสูงไปสูงไปจนตรั้งถึงคมกาลิกาเดวาสัจจะมุสาวิสุขนี่ไปประกาศถึงขึง้นเลยออกจากนั้นนอกจากนี้นะออกจากสัจจะอริยสัจนี่ออกจากไหน ยุกข้างอายสัจจังสมุดสมุสมุสมุดาอยะอยสัจจังสมุสมุนายะอายะสัจจังฮิโรธาอายสัจจังอหคัมรอยสัจจังเียอากาศนสของจินของจินของจินเมื่อเข้าถึงกันดึงไม่เห็นมีอะไรเป็นข้าศึกต่อกัน ท่านคิดว่าของจริงทีมันเป็นข้าศืกอยู่เวลานี้ก็คือมันไม่จริงไม่ยอมรับความจริงด้วยความเป็นธรรมมันถึงได้ทะเลาะกันระหว่างสุข ก, กับสมุทัยทะเลาะกันแต่เราไม่ได้เอาสมุทัยก็ไม่ได้เอาอันนันะระหว่างทุกข์สมุทยกับมรกคทะเลาะกันแต่เราไม่ได้เอามรรคเข้ามาต่อสู้ไม่มาทะเลาะกับทุกข์สมุทัย มีแต่ปล่อยสมุทยย่ำมีหัวใจอ่ะเป็นทุกพอมักษาเข้ามาแยกเท่านั้นเองมันเป็นกรรมการแยกมวยพูดยังไงพูดตามเป็นจริงพูดตามเป็นจริงแยกออกแยกออกแยกออกเหมือนกับเป็นกรรมการแยกห่วยแยกออกถึงของจริงเต็มส่วนแล้วอะไรทุกจริงจะไปทำหน้อะไร นอกจากเงีย้ยังหมดไปจากหัวใจด้วยนะทุกสุงไทยเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจริงล้มมันยังฝังใจนะรู้จริงเห็นจริงด้วยมรรคศาสตร์แล้วมันสลัดกันนะ้น่ะไม่ต้องบอกกําเงิืนเราจับความูเห่าในสุม่มสุ่มปลาว่างไปความเห่านั้นมาไม่ว่าปลาหรื่าเป็นอาหารทําขึ้นมาแล้ว พขึนมาดูที่ไหนได้หมูหานนนนเนี่ยสลัดกี่เยอเท่านั้นเองนะสุดแรงเกินนะสลัดของสลัดของหมูหาว่าไงมนยอทุกนูนไทยสุดแรงเกินของมัด่ะ โ, โดว้วนยิงเกียเป็นหนามันยิ่งมีอำนาจประกาศลั่นทั่วแดนโลกธาตุมันน่าสรุปสองเวื่อจริงๆนะว่าพิรุยาอาการอะไรๆที่แสดงออกกับจากจากบุคคลมันออกหน้าออกตาเรื่องแต่เรื่องอันเดียวนี้มัด เัจตัวไม่รู้สิไม่เห็นท่าของมันมันถึงได้ทาอย่างเต็มเต็มใจตั้งใจตั้งจติงจตจตั้งใจทำโดยทํไม่ใช่ทำนึกสัจธรรมมันทำจริงๆเชื่อมันเชื่ออย่างฟังใจว่าเป็นของดียังพวกทุยจริตโคตรโกรีๆๆไทยเป็นไนั่นดูสิ จะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่ตัวนี้ตัวยิ่เหล็กความรู้ความโกรธน่าฆาตั า, า, ายาภาเป็นสามตัวนี้เป็นการไแยกออกจากปากมันได้กัดตอาแหลกแล้วมันความธรรมะเนี่ยเบิกเข้าไปตรงนั้นนะมันแตกกระจายไปแล้ว อะไรมันจะคืนได้ลงคอของสกปรกการดี้นการถ่ายการคดการโกงการทุติจริตทั้งหลายมันของสกรปรกแท้ๆในแง่แห่งธรรมท้หลายมันจะไปคืนลงได้อย่างไรเจ้าของตายตายไปเฉยๆไม่คืนคืนคืนไม่ได้คืนไม่ลงไม่ยอมตืนแต่ยอมตายนั่นจึงว่าเชื่อธรรมเชื่ออย่างนั้นเลยมันเป็นในหัวใจเองนะเมื่อถึงขั้นมันเป็นมันเป็นอย่างไง นั่นปฏิวัเมื่อเป็นเช่นนั้แล้วจะให้เชื่อทำได้ไงมันเห็นมิในหัวใจเจ้าของมันรู้อยูไ่ไนอะไรคอขาดก็ขาดไปแต่ท้ามกบใจรันไม่ยอมแยกจากกันไม่ยอมขาดเนี่ยเรายังคิดถึงเรื่องพระรหารท่านไปฉันทหารที่บ้านสกุลหนึ่งไทย จรณัยทองจระันแก้วอะไรๆหลายอยา่างแล้วก็เดิมสายท่านนิมนต์ท่านไปท่านก็ไปสงเคข้อทุกทุกวันทุกวันนะไปขันที่บ้านทุกวันแล้ววันนั้นมันเผอินยังไงก็นม่ทราบกำลังทำเนื้ออยู่นเขียงอะไ อ, ไอ ช่างจริญในกาลังทําเนื้ออยู่บนเขียงเลือดเนื้ออะไรๆก็เปื่อนเกระอยู่กับมือนพอดีเขาเอาแก้วมาให้เขเลยเอาทั้งมือเปื่อนอนจับพวกแก้วจะเอามาจริญใแก้นํ า, า, านไใช่แก้วธรรมดาแก้วพระราชานนด้วยอือจะ่แก้วธรรมดาเนี่ยซึ่งอํานาจสูงสุดหัวาขาดได้ เมื่อผิดพลาดไปมันจะแกะตั้งหมือนแล้วพอดีลูกร้องภายในในเรือนโดดเข้าไปเลยเอาแก้ววางไว้บนเขียงนลยนกกระเรียนมันก็อยู่นั่นมันไม่ได้คิดว่ามันจะกินพอโดดเข้าไปเอาลูกในนั่น ในผู้ชายนั่นเนี่ยเงียไม่อยู่ตอนนั้นนี่ก็ไปเอาลูกดูต้องไห้อยู่ใเสร็จแล้วก็ออกมาพระองค์นั้นพระอาหารท่งนก็นั่งเห็นอยู่ดูอยู่พระอาหารนั้นนกกระเรียนนินก็เห็นนกก็ะเรียนมาโฉว เอาแก้วเกินเพราะมันเข้าใจว่าเนือ้อชิ้นเนือ้อมันเปื่อนแก้วเปื่อนกับชิ้นเนือ้อท่านก็โอ้กูตายตรงธรรมระตังเวทแหละท่านถ้ากูบอกนี่เขาก็จะฆ่าน้าองกรียนถ้ากูไม่บอกเขาก็จะฆ่ากูอาจารย์เราว่างั้นน่ะโอ้ตายกูตายท่านอาจจะยังไม่คิดถึงเนี่ที่ว่า ขอความกำทับกำชาแล้วเข า, เาคืนยกเพียงคืนไปแล้วอย่าด่วนฆ่าแล้วให้พยายามมันถ่ายออกมาเอางแล้วค่อยเอานั่นมันกางพอได้นะแต่นั้นขี้แต่ไม่จะบอกว่าอย่างนั้นถามว่าธรรมดาเราจะคิดอย่างนั้นนะเราก็จะบอกแล้วห้ามไม่ฆ่าโน ก, กระเด็นเป็นอาฆาตถ้าจะฆ่าโนกรียนให้ฆ่าสมรมะทีแล้จะบอกเป็นเครื่องยืนยันเอาชีวิตของเราเป็นประเกื้นประกันไว้อย่างนั้นบอกก็ดีนะว่านกกระเดยนนี้กิน นกกระเรียนนี่มันจะถ่ายแหละไม่ปล่อยมันไปที่ไหนมันถ่ายออกาแล้วก็เอามันจะบอกอย่างนั้นแต่ห้ามฆ่าเั็นการฆ่าถ้าจะฆ่ากเรียนให้ฆ่าสมาธิเยอะเราก็จะว่างนั้นถ้าเป็นเรานะนั่อัาานนี้ท่านไม่อเวลาเขามาถามท่านท่านทนไม่ตอบนะเพวะ่าเจ้าอย่างนี้ไปไหนท่านไม่ตอบเพราะท่านเห็นนกเรียนยินอยู่นี่แต่ว่านกกรเรียนยินแล้วเขาจะฆ่านกกเรียนท่านว่างอันไหนในหนังสือ แล้วถ้าแข่งขันก็เขาก็จะถามเร า, านี้เมื่อเราไม่ได้เอาแล้วก็เราก็จะบอกว่าเราไม่ได้เอาไม่ใช่เราจะเป็นใคร่ยเขาก็จะว่ามันก็เป็นจริงๆก็ว่านี่หืมโมโหโศกขึ้นขึ้นเดี๋ยวนั่นเลยนะเข้าเชื่อมมาลัดรคอยท่ทนนานเนมะื่อบนรลุบรรดาะเชื่ยวมาลัดรคอจนกระทั่ ง, งถึงเลือดท่านทะลักออกมาจากปากจากข้างในออกมาปาก รัดคอท่านขนาดนั้นนะท่านก็ไม่กล้าท่านไม่พูดเพราะฉท่าสนสงสารนกกระเรียนนั่นนะเห็นไหมนี่แหะหลักฐานบินยันของใจที่บริสุทธิ์ตายก็ตายไปไม่ยอมที่จะให้คนอื่นตายแล้วไม่ยอมจะทำตุจลิศนั่นเป็ธรรมชาติที่บริสุทธิ์แท้ๆนั่นแหะพระอรหันต์ที่พระอรหันต์เต้นอย่างนั้นนหะท่านเป็นพระอรหันต์เขียนไว้ในหนังสือ เพือลัดขอท่านขอลัดท่านเขไปจะให้ตายผู้ดูพุทยาณโลนที่สุดไม่ใช่มึงจะเป็นใครเอาว่างอ้ํามึงเลยมลัดขอดนแล้วขอพอนี้เลือดมันก็ทะลักออกมาจากปากท่านพุ่งไปตกนอกแล้วนกก็เรียนนั้นก็มาโฉบกินเลือดดีแหละแล้วกำลังโมโห ออ้ชาวคนนั้นอ่ะลุคนนั้นกาลังโมโมาเตะนกกระกกเรียนหนีปิ้งเปทักไปเลยทีนี้ท่าก็เลยทํามืออย่างนี้ทำคมือนี้แล้วเขาาก็ละปล่อยอเชือกให้ยานออถ้าเป็นอะไรกันที่อาตมาจะพูดแล้วนกกรกเรียนนั่นเป็ยังไงตายแล้วยางมึงจะตายกับ น, นกกรเรียนเหรอไปอนั่นอีนนะ อืมเอาไม่ไม่หนึ่งแน่นอะคืออยากจะถามเรืวว่องเปลียนมันตายตายแล้วอย่างห <Okay. S 1> ลักจันท์ไม่เปรียนนี่ตาตาก็ดูที่ตามีทั้งเด็มาดูไม่ตายแล้วท่านก็ดูตายเออที่นี่ท่านอาตมาจะพูดให้ยนะนะพูดไป ด, ดีถ้าท่านไม่มีกิเลสท่านไม่มีความโมโหโธสศถึงจะว่าอะไรเขามันก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วคนปกเขน น, น ดุมันก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วมันก็เลยถ้าเราไม่เอามาใช้กิจเดยานั้นเพราะความดุในหัวใจท่านจริงๆมันไม่มีนอกจากจะเป็นกิริยจเดียทำที่แสดงมาเท่านั้นแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์ท่านก็ไม่แสดงเสียมันไม่เกิประโยชน์เรเลยบอกเด็กกออที่อาตมาจะบอกเน่อยอาตมาไม่เอาแก้วของคุณนั่นน่ะนกกรเรียนนี่มันโฉบกินเพราะมีเลือดติดอยู่ในแก้วนั้นมันโฉบกินกลืนเข้าไปข้างในนั่นต้องผ่าดูที่มันตายแล้วอย่างนี้ พาก็เห็นเห็นก็ล้องโก้ตอนที่ยังยังไม่นั่นนั่นเมียมานะก็เมียมาก็เข้าไปในห้องหามเมียบอกว่าเท้าอันนี้เอานกเอ า, เอาแกเราไปจริงจริงนะเล่าข้อขาดได้ละเขานี้พระราชาจะตัดคอเราทางเมียก็โอ้แกแกดีก น, นะเมียนะรถตายก็ขอตายไปเถิดเราพท้า น, นี้นั่นเอาไม่ได้ทําไม่เอา เราจะตายก็าตายไปถือตั้งเราตั้งหลู่ตั้งต่าตั้งพอตั้งแม่ตายก็ตายไปถืออย่าไปว่าอะไรท่นนะานเลยเมียนะท่านไม่เอาแล้วเชนะื่อวังไปเลยมั่นมึงเป็นยังโกรธให้เมียอีกมึงจะตายกั็นพนี้อีหรือเปอลอ <h> ีหล่ะโมใ้เมียแล้วออกมาก็ายังมาทาอย่าง ตอนนั้นยังไม่ไทําพระองนี่นะเป็นผู้กษิตกษัตริยก็เมียมนี่เมียมไม่เห็นด้วยหรือโมโหนออกมาจงมาทําเมียก็อยู่นะเมียมาล้องหมร้องิดทำมานีพอได้เห็นแต่ผลจริงจริงแล้ววันผ่ามานกเออแก้วมันอยู่ในเทาน่านกระเรียนจริงร้องโก้เลยร้องไห้ขอก็มาโทษท่านก็บอกว่าไม่มีโทษมีกรรมอะไรแหละมันเป็นโทษของวัดตะจากอันว่างนี่นะโทษของวัดตะคุณก็ไม่มีโทษอาตมาก็มีโทษโทษวัด วะะา่าต่างหากว่าต่าแก้ปัญหาทั้ง เ, เกิเลยหลักไม่ทราบท่านได้กินข้าวไมไ่กินข้าวในวันนั้นนะไม่ปรากฏว่าท่านได้ฉันอาหารนะตั้งแต่บัดนั้นท่านตั้งคำํำสั่งไว้ปุ๊บเลยทันทีเลยท่านจะไม่ไปฉันและแม้ไม่เข้าไปใช้คาของบ้านใดเด็ดขาดจนกระทั่งถึงวันตายท่านบอกอย่างนี้เลยนะ ไม่ว่าแต่ิดไปฉันบ้านใดเลยฉบ้านใดท่านก็ไม่ไปฉันจะเข้าไปรังคาเรือนหรอกท่านก็นไม่ยอมเข้าไปจนกระทั่งถึงวันตายมันบอกนี้เลยท่านตั้งศักดิ์ศรีฐานตั้งแต่วันนั้นท่านไม่เคยไปฉันบ้านใครจนกระ ท, ท, ท, ทั่งท่านท่านท่านผ่านนี่เป็นเรื่องของพระองนี้ทีนี้ผู้หญิงคนที่เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้เสหยนเขาเห็นผัวทําให้เมียเออทำอะไร พระเถละจนเลือดทะลักออกมากล่ะร้องไห้นะแล้วผู้หญิงคนนี้เวลาตายแล้ไปสวรรค์หวังกันพระพุทธเจ้าจาัดจะเราจะจะผิดไปตรงไหนแล้วผู้บุตรคนนี้ตกนรกท่านจึงจกล่าวว่าผู้ทําดีไปสวรรค์เวลาเป็นพุทธวจิตแสดงออกมาพ่าผู้ทําชั่วไปนรก นั่นแหละดูความถากความกินของพระลานวิจิต ท, ที่บริสุทธล้วนๆเป็นอย่างนั้นจะเอ็นไปทําโลกอันไหนเอ็นไปไม่ได้หลักธรรมชาตินั้นไม่อนนํานน้อมพโลกกับกับทำหรื อ, อสมมุติกับวิมุตมันต่างกันวิ ม, มุติมีอะไรไปเกี่ยวข้องกับสมมุติว่าเ <c oughs> นี่ยไอเรื่องเป็นเรื่องตายเหล่านี้มันเรื่องสมมุติท่านจะมาเสียดายอะไรท่านไม่ทํา ความเมตตาอ่อนนิ่มไปหมดท่านจะทำได้ลงคอหรือบอกเรื่องให้บอกให้มกตายเพื่อชีวิต ท, ท, ท่านยังอยู่ท่านไม่นี่นิ่มมีในขื่อในแ บ, บบพุทธเจ้าเองเนี่ รู้จิตของผัวเมียทั้งสองคนหนึ่งจิตใจดีสงสารท่านเราจะตายก็ตายไปเถอะผูกขบัวตายหมกึกกัวเรือนเรานี่ก็ยอมตายเถอะเราพระราชาจะตัดขอตังตัดให้ตัดไปเถอะอส่วนที่เราจะเชื่อว่าท่านพระองค์นี้ท่านจะเอานั้นเราเชื่อไม่ได้แล้วเราไม่เชื่อวางนี่เลยนะเรายอมตายก็ดีกว่าเพราะเราเชื่อท่านมาฝังใจแล้วนี่มา ท่านเป็นพระาราหันหคูู้ขนาดนั้นพอดีก็ก็เป็นอย่างว่าทีานี่เวลาตายแล้วเวลานั้นเมียร้องร้องไห้เห็นผัวรัดคอของพระาราหัมันเชื่อมรัดค อ, ด อ, อรัดคอเข้าไปเมียก็ร้องไห้ไทำไงช่วยไม่ได้ก็ภาพนั้นก็เห็นถึงกับตายพอพอพอพาพพอ พังน้ำาต า, ตาแล้วเมียก็คนเหลาขึ้นเดียว่าฟื้นเนี่ยนี่หมดล้ตายแล้วเมียนี่ไปสวรรค์คุณบอกว่ า, างั้นนะหัว ล, ลุ่มระลอกใครไม่ใช่วิญญาจะเป็นไครรู้จิตของคนทั้งสองนี้นะกระดังที่ผมเคยพูดด้วยทั้งขามันก่อนไปบนดินถ้ำนะสวดมนต์ถ้าสวดมนต์แล้ว ม, มันได้ยินแล้วมันคลอยมันจิตใจมันคกือบเกืบเคลิ้มันไป ร, ร, ร, ร, ร, รอบเพราะพริพร้งคุณยัางง่ายเสียงอัดเสียนทำ มันซึ่งกันในจิตใจอเลยเพืเพ่อเพราะจิตมันอยู่กับธรรมแล้วตื่นมันก็หลดุดมันก็ตกลงกมาหน้าทรรมทุกหินตายแล้วไปสารทั้งหมดข้างวเหล่านี้นะฟังดิโอยจาท่านเรงยานทราบหมดว่าไ ง, งไม่ได้พูดนะแบบด้นเดาเกาหมัดนี่นะ พุทธาจ้ารู้หรือพระอรหันและพระอรหันบางองค์รู้ก็ไม่ใช่ทุกองสำหรับพระอรหันหรือตามแต่อุปนิสัยของท่านมีทางในทางไหนก็นรู้ผู้ไม่มีในทางนั้นก็ไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าอยานี้ร้อยทั้งร้อยพันนัง่งพันแสนนัง้งแสนล้านทั้งล้านรู้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่าไปสวรรค์พราเสียงธรรมมันแตกฉัง เสียงหักเกับเสียงโลกเสียงสงสารมันผิดกันเสียงโลกมันเป็นผิดเสียงธรรมเป็นคุณต่อจิตใจนี่ก็หยุดพักยาเม็ดมาหลายวันแนล้วตั้งแต่นี้เป็นสามสี่วันมั้งยาเม็ดเพราะมันผิด ต, ตั้งเกิดมานางยานตั้งจะเริ่มชั้นที่แรก ชั้น20เมตรตอนเช้าตอนเย็นมันคันก็ให้รถลงที่แปดมตร ม, มันไม่คันถ้ารถลงอีกที่หกเมตรมันไม่คันแต่ที่นีมันกลับมาเป็นอีกแบบมาคันโอกครชติ ภายในนะไมันช่กำลังนะพี่ที่ท่อปัวะุบันวายไหมีลักษณะขันขันนี้นี้ไม่มากนะถ้ามันผิดปกติมันก็รู้นี่ทําไม่จะไม่รู้ผิดปกติแล้วลักษณะเหมือนจะคันแต่ไม่คันมันถึงไม่ถึงกับว่าคันได้มันมันอยู่ในตรงกลางเหมือนกจะคันต่อจากนั้นมันก็เป็นลักษณะเหมือนจะขัดปัจจุบัน ว่าจะขัดจริงๆมันก็ไม่สนิทว่าไม่ขัดมันก็ผิดปกติอยู่นั่นหลังจากนั้นมาก็ถ่ายรัตบัตรกระปิดกับปลอยทําไมปิ้งก็ชันมานั่นยายก็ดีเเอจนจะมาทีจังหวัดชนตจนจะมาผมก็รู้สึกมีเจ็บดูกระแทกบ้างเยอะไมน้อยไม่มากนะ รู้สึกเสืมเล่มาอย่างนี้การขัดก็มีส่วนการคันหายไปความขัดก็มีไม่มากค่ะมีแล้วก็มาเป็นอย่างนี้แล้วค่อยปับันทางบ้างเล็ก น, น, น้อยไม่มากเราจริงไม่ค่อยสนใจอะไรมันนะยาก็าฉันมาเรืนนะ่อยมาแล้วมันก็ค่อยหนักขึ้นหนักขึ้น ระยะสามเช้ามานี่สิมันหนักงาถึงที่แรกก็ไม่หนักกไ็ไม่ค่อยอะไรนะเมื่อสามเช้านี่หนักมากนั่งฉันยังหันอย่างนี่มันมันบิดาบัดมานั่งนี่โหมันปวดอันนี้หนักไม่ใชเจ็บนะมันปวดปวดเหมือนจะปวดท้าจะแตกเหมือนไงแต่แล้วก็เฉยธรรมดาเหมือนไม่มีอะไรมันนั่น วันสุดท้ายันสุดท้ายจริงๆ จ, จะไปทาหมอแล้วก็เล่าให้เขาฟังเขาก็ชี้แจงเหตผลได้ดีนะหมอเจริญ น, น, นั่นแหะแล้วก็บอกที่แรกลักษณะเหมือนมันคันอยู่ในทอบกระสวาภายในองคชาตกระบอกนี่มันลักษณะมันเหมือนเหมือนจะคันแต่แต่จะว่าคันยิงมันก็ไม่เชิงมนมีผิดปกตินั่นนะ หลจากนั้นมีลักษณะมันจะขัดเราก็บอกแล้วต่อมาก็มีปรากฏว่าเป็นขัดเบาเฉนนี้เบาๆล้วถ่ายกัปก็ปีกปล่อยหลังจากนั้นมาม า, มาปวดอันทางนี้เราก็บอกที่เขาไปขี้แจงได้ดีนะแต่ผมจำไม่ได้เรื่องของหมอเขาก็บอกที่แรกมันเป็นอย่างนั้นแล้วต่อมามันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็มีอะไรคณิตที่นี่เอาที่ก็เอ า, ามารวมกวันนะเพราะว่าไอ้ท่อ ปัสสาวะมันกับอะไรเกี่ยวกับเรื่องอันธะหเกี่ยวอะไรมันมันมีอะไรอยู่นั่นแล้วก็มันมีแบคทีเรียเขาว่างั้นน่ะมันเข้าแทรกเข้าไปตรงนั้นมันแทรกลงไปเขาว่ามีแบคทีเรียแบคทีเรียมันคืออะไรผมก็ไม่รู้นะ่ออเขาว่ามัแบคทีเรียแล้วเขาก็ เอาอยาสองสองอย่างให้ฉันอันหนึ่งแก้ปวดอันหนึ่งแก้อักเสบวางยาสองอย่างพวกมาฉันอันนี้แก้ปวดนนาวาาออาคนนวดาดขาวค า, าดเขียวนั่นฉันทีละสองเม็ดสามเวลาฉ น, นี้สีแดงนั่นฉันครั้งละเม็ดสี่เวลา นี่ผมหมายผมแข่งกันยังนา่าผมดื่มเงียบเลยดังนั้นเนี่ยนี่ยามเจ้าของตายอะไรอย่างนี้คือความจำไม่ทราบผมแข่งกันอย่างแล้วตั้งแต่ไปจันจายาที่โรงพยาบาลมาแล้วค่อยสองบกันน่นนะ วาสนสงให้เลยเลยมากลางคืนคืนวานนี่ก็เงียบเมื่อคืนนี เ, นเียไมตักด่ก ป, ปวดไปเจ็ บ, บวันนี้ก็ได้ฉันยาแล้วก็วา น, นี่ผมก็ทาอยู่เลยจ่วาด น, นี้ายลมดีนะมันแตกแล้วทาแล้วก็ทา กันฑะก็ขึ้นมาข้างบนที่มันเจ็บขึ้นมาตามสายนี้ขึ้นมานเป็นเส้นงานกุ้งก็ทาขึ้นมาทานลงไปนะกัณฑะท่านั้นไม่ตาอะไรมากแต่ม่แต่มันก็พายลมดีนะอีกที่ว่านก็เรียกวันภาควันเลย มันเป็นอะไรล้วก็ไม่รู้เรื่องราวเวลามันจะเป็นมันเป็นยังไงผมจะไม่ไม่สงสัยอะไรยิดมันก็จออยูตั้งแต่ยาเม็ดยากีนั่นแหละเพราะมันจับสันอยู่ได้ที่แรกมันขันนี่ให้ลดลงมามันยังขันรถลดลงมาเนี่ยเพานันไปไปขันข้างล่าง กระจาจากคันก็เป็นขัดจากขัดเป็นก็เป็นเจ็บเป็นปวดไปจริงไม่สงสัยอะไรผมเข้าใจว่าเป็นยาชนิดเม็ดนี่ส่วนยาผสมน้ำร้อนนั้นรู้ไหนปรากฏสติน ด, ดีอยู่ยาเม็ดนี่จะแรงนะคุว่าไม่ได้โทรไปถามของซ่อก็มาอยู่ซ่อก็ไปพัตยา เนี่ยเขาจะโทรไปวุนมนู่นเนาะถามถึงท่านวันชายว่าเวออย่างท่าท่านันชาไม่มาเขาจะลดส่วนตัวของเขารับแม่ไปแล้วไอ้ท่านวันชามาพร้อมวางเงเขาก็ทราบว่าท่านันายมาแล้วดูว่างั้นเขาเยขึ้นรถไฟไปท่านมาจากนู่นวันที่เท่าไหร่อืมอะ เขาเขาเาแล้วเังว่าเขาเขโทรไปดูเขากลับนึกเขาไป น, นึกดูมันวันที่วันที่สามสิบกางคืนก็นดวนว่ากลางคืนที่หนึ่งหมวานก็ค ง, ถ, งถึงเท้าถึงเที่ใช่มันวันที่สามสิบเข้าไป เขามานี่เน้ะเขาพูดขเขาพวงเขว่าจะเป็โทรถามเงินชาวท่า น, น, นอย่างนี้มันไม่มาพร้อมเขาเขาจะาลดถนตัวเขาไปเลยเพราะเดี๋ยวตอนกลับมาแล้วก็าอาจขึ้นรถไฟก็ได้เขาหว่างโดยสุทธาก็ ข, ขึ้นรถไฟ ขามาจากไหนตอนไหนบ้างนะี่นะทั้งหมดมีสี่ิสองใช่ไหมนี่ถ้าสามเจ็ดเนนห้าใช่ไหมถ้าสามเจ็ดเนนห้าเนี่ยเมกี้เนี่ยสิ่ถามเมกินเนี่ย น, นั่นันก็สี่ิสองขอเรื่อยแล้วขอที่บวชข้อมาอยู่นี่มากไม่เท่ามาขอ ผมรัประชาแต่เรารับมาได้ตั้งแต่นี่ก็ไม่ใช่รับนนะมาพักทั๊กขาวนี่ไม้รับนนะผมก็ยิ่งกำลังอ่อนลงอ่อนลงใจใผม น, น้าพระเนรนมากมายไงอนเรื่องของพ่อแม่ครูจารย์มั่นกับพระกับเนรทั้งหลายที่ลุมท่านอยู่นั่นแนะมันกลังวันใยนหัวใจผมม่เห็นได้ชัดผมจะไปลืมอะไร มันสลดสงเวชจะตายไปอันนี้มันก็จะเป็นแบบเดียวกันนั่นแนะ่ะจะไปแบบไหนถ้าไม่ไปแบบนั่นหนะ yeah, yeah, yeah, yeah. น, นันกยั่วเย่อเยี่ยงมัไม่เรื่องเดิล่าอะไรอย่างนั้นมันจะทะเลาะกันนั่ะเรื่องขี้เหล่มันออกง่ายที่สุดนะมันเหยียบหัวทำเร็วสุดนะ อวดดีพวกี้เลยไม่ได้อวดดีเพราะทำแ่มันก็ไม่ดีสิสอว ด, ดีมันเลยเร็วลงไปเร็วลงไปต่เวรมันจะเป็นมันไม่ได้ว่าเรวแล้วมันอาจะม้อเหมือนจะห่เหินเดินฟาได้เหมือ น, นอย่า ง, งเน้นยึดลูกเนยนั่นแหละดูยีเนยนั่นกับเนยนัน่นทะเราะตีกันมันว่าไง นงผมก็เลยพระเนี้ยใ้พรเรียงมาซัากเหยียซักขุเรียบร้อยแล้วก็พระก็หนีไล่หนีจากทั้งสองก็อย่างนั้นแล้วผมว่ไม่ได้ลงเล็โต ไ, ได้ต่อยกันขนาดนั้นแล้วอู้ยฉลดสองเหยดเราเนี่ยนั่นมาขโมยสิ่งของในวันนี้เราก็ไม่ถือสาเพราะยังเป็นเด็ก เด็กก็ถามเรื่องการบวชประสูงสารนั่นแหละเพราะแม่ก็หมดหวังแล้วถามแม่ก็ก่อนแม่หมดหวังก็จะปล่อยไปทำบุญทากรรมมันแล้วแหละหมดหวังแล้วหวังก็พูดอะไรมึงไม่ฟังเลยฟังเราหวัเด็กนี่เลยไปเกี่ยวกองอเด็กปอนตะวันนี่มันเลยไปเกี่ยวกอมถามมันบุมันจะเป็นยังไงถามมันเลยรับยินดีบวช เรื่องมันเป็นอย่างนั้นนะอมาจะบวชก็จะขอหลวงพ่อให้อะไรอะไรกันรับหมดใช่เรื่องบุหรี่อะไรแล้วนี่ก็หยุดหมดอ่าอยู่ก็ยอมรับบุชยอมรับก็บวชบวชมาก็ยังว่าว่าจะดีล้วก็เป็นไปนั่นแหละสุดท้ายก็ทะเลาะกัน ตีกันกำเนนนั่นเอง้ยเสีดสังเกตมากเรานี่อสั่งให้พระเรียกมาทํามเนตราำผลแล้วเราไม่อยปล่ให้ไปกันนะ่ะก็เท่านั้นแหละเราทั้ทงก็ได้ไปกันทั้งสองให้ผิดก่อนผี่หลังมันก็ผิดด้วยกันนั่นแหละมันยากมากเกินกว่าที่จะให้ให้อยู่เราก็ไม่เคยได้ยินมันมาเป็นตะนใ น, นี้ในวาดของเรา ทำไงเลี้ยงทิ้